คุกชีวิตคือความคิดที่ขังจิตให้หมดอิสระภาพ อาจารย์กำพลทองบุญนุ่มวันนี้ก็ตั้งใจที่จะพูดธรรมะให้กับคนที่สนใจฟังผมเป็นผู้พูดท่านผู้ฟังก็เป็นผู้ฟังมีความตั้งใจว่าจะพูดให้ฟังสำหรับคนที่รักในการฟังโดยเฉพาะเรื่องที่พูดเนี่ยเป็นเรื่องธรรมะ เป็นเรื่องแง่คิดเกี่ยวกับทางธรรมะที่จะเป็นแนวทางในการนำเอาไปปฏิบัติเป็นเรื่องของตัวเราเป็นเรื่องของชีวิตของเราเป็นเรื่องปัจจุบันซึ่งบางวันบางคนเนี่ยอาจจะตรงจิตตรงใจก็ได้ในสิ่งที่ผู้พู ด, พ, ดพูดให้ฟังโดยเฉพาะพูดเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ถนัดเป็นอาชีพ ที่เราจะต้องช่วยเหลือกันนอกจากที่เราจะช่วยเหลือกันในการพูดให้ฟังแล้วเราก็ต้องมีการทำตัวอย่างให้ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้คนใกล้ชิดใกล้ตัวได้สัมผัสอันนี้อาจจะไม่ใช่เป็นเพราะผู้พูดก็ได้ใครก็ได้สามารถทำหน้าที่อย่างนี้ได้เพราะว่าธรรมะเนี่ยเป็นหลักสากลเป็นสิ่งกลางๆงไม่ผูกขาดสาหรับ ใครศาสนาใดลทัทธิใดเชื้อชาติใดก็สามารถเรียนธรรมะเนี่ยทำเอาไปปฏิบัติได้การปฏิบัติธรรมเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการฝึกที่จะมาดูแลตัวเองมาสนใจกับตัวเราเองสนใจเพื่อจะแก้ปัญหาตัวเราเองให้พ้นจากความทุกข์ปฏิบัติเนี่ยก็คือการกระทํา เป็นคํากลางๆนะเป็นการกระทําอาจจะทําในสิ่งที่เลวร้ายก็ได้แต่ทางตรงข้ามอาจจะทําที่ถูกต้องเป็นการกระทําที่ถูกต้องและก็ดีงามได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นการปฏิบัติธรรมเนี่ยคําว่าธรร ม, มะเนี่ยความหมายที่เด่นชัดก็คือธรร ม, มะคือความถูกต้องและก็ดีงามด้วย มีความถูกต้องมีความดีงามอยู่ในตัวเขาเสร็จถ้าเป็นการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องเนี่ยมันก็แก้ปัญหาได้ถูกต้องแล้วก็ถูกทาถูกทำนองกลองทามันก็แก้ปัญหาจิตปัญหาใจเราไม่เป็นทุกได้แม้ว่าบางทีร่างกายเราเนี่ยเป็นทุกแสนสาหัสอย่างเช่นว่าเรามีความทุกข์อาจจะเป็นทุกทางกาย ทุกทางจิตก็ได้ทุกทางกายนี่อาจจะเกิดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยความชราหรือความตายที่จะมาถึงเราอันนี้เราเป็นทุกทางกายแต่ทุกทางกายนั้นมันก็มีผลทำให้จิตใจเราเนี่ยเป็นทุกได้เหมือนกันถ้าจิตเราขาสติไปยึดมั่นถึอมั่นว่าไอ้ทุกทางกายนี่เป็นเรา เราเป็นผู้ทุกข์จิตก็จะพลอยเป็นทุกข์ไปด้วยแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญาเราจะรู้เท่าทันในทุกทางกายโอ้นี่เป็นเรื่องของกายเป็นเรื่องของกายเขาจิตเราเนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้ที่รับรู้รับทราบเอาไว้จิตทาหน้าที่รู้ไม่ได้ทาหน้าที่เป็นแค่เพียงรู้ว่ากายเป็นอะไรแล้วก็ปล่อยวางกายไปซะดูแลเขาตามสมควรแล้วก็ปล่อยวางเขาไปให้ก็เป็นอย่างกาย เงี้ยจิตมันก็พ้นจากความทุกข์ทางกายได้ทุกข์ทางกายก็ไม่สามารถที่จะมาเบียดเบียนจิตจะให้เป็นทุกข์ได้เนีเรามีวิธีการแบ่งแยกก็หมดปัญหาไปเรื่องของร่างกายนะก็ดูแลรักษากันไปหายก็ดีถ้าไม่หายก็ไม่เป็นไรหรอกเนี่ยเป็นการรักษาจิตไม่ให้ทุกข์เพราะร่างกายเป็นต้นเหตุแต่ทุกข์ทางจิตเนี่ยดูจะมีทีท่าว่าทุกข์มากกว่าเพราะบางคนเนี่ย ร่างกายเนี่ยก็ไม่เป็นทุกข์หรอกก็เป็นปกติดีอยู่นะไม่เป็นทุกข์หรอกแต่ว่าจิตใจยังเป็นทุกข์อยู่ทุกทางจิตอาจจะเป็นเพราะว่ามีอารมณ์มากระทบกระทบจิตกระทบใจเราให้เกิดความเครียดและเกิดจากความคิดที่เราได้รู้เรื่องราวต่างๆจากสิ่งภายนอกจากคนรอบตัวเราถ้าไม่ใจเราเนี่ย พลอยเครียดไปด้วยพล่อยทุกไปด้วยความเครียดเข้ามาสู่จิตนะความเครียดคือความผิดปกติของจิตจิตที่เป็นปกตินั้นมันก็สบายสบายดีอยู่นะมันจะไม่เครียดแต่ว่ามีอารมณ์มากระทบปับ๊บพอจิตเข้าไปยึดมั่นถึงมั่นในอารมณ์นั้นว่าเนี่ยเป็นตัวเป็นตนของเราจิตมันก็เกิดความเครียดทันทีเลยเนี่ยทุกแหละอันนี้คือปัญหา เนี่ยย่อมเกิดขึ้นได้กับคนทุกคนนะแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่าเวลามีเรื่องราวมากระทบจี่กระทบใจแล้วเรามักจะขาดสติไม่จะปล่อยจิตปล่อยใจเราเนี่ยให้ไปหมกมุ่นครุ้นคิดอยู่ในอารมณ์ที่ทำให้เราเครียดปล่อยจิตปล่อยใจให้ปอกจมอยู่ในความคิดไม่ยอมถอนจิตถอนใจเราเนี่ยให้ออกจากอารมณ์นั้น บกวนเวียนเชา้าสายบ่ายเย็นถึงพยายามค่ำคืนเนี่ราก็นอนไม่หลับเพราะความคิดเราเนี่ยมันมาบีบคั้นจิตใจเราให้เป็นทุกข์แล้วยิ่งคิดเนี่ยเราก็ยิ่งตอกย้มจิตใจเราให้เป็นทุกข์หนักยิ่งขึ้นคิดซ้าแล้วซ้าเล่าในเรื่องเก่าๆเดิมๆเนี่ยใจเราก็เลยหมดอิสระภาพเลยที่หมดอิสระภาพเพราะว่า ใจเราเนี่ยขาดสติปล่อยจิตปล่อยใจให้ติดคุกของความคิดเมื่อติดคุกของความคิดจิตมันก็หมดอิสระภาพเห็นไหมมันก็เป็นทุกข์อ่ะเพราะความคิดเนี่ยความคิดจะเรียกว่าเป็นคุกขังใจก็ได้ยิ่งคิดก็ยิ่งถูกขังลึกเข้าไปทุกทีทุกทีก็ไม่เป็นไรหรอกเรายังมีวิธีการนะเนี่ยคนที่กำลังติดคุกของความคิด เด็กคู่ทั้งจิตทางใจนะั้นเรายังมีทางออกอิสระภาพยังมีกับเราอยู่เสมอเสมอให้เรารู้จักแก้ปัญหาจิตปัญหาใจเราอย่างเช่นว่าเวลาเราเกิดความทุกขเกิดความเครียดเพราะความคิดเนี่ยอย่าเพิ่งไปแก้ปัญหาในเรื่องราวที่เราเป็นทุกอยู่อย่ า, าเพิ่งไปสนใจกับเรื่องราวนั้นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นขณะนั้นเนี่ยบางทีเราอาจจะแก้ไขไม่ได้นะในขณะนั้น อย่าเพิ่งไปสนใจมเมื่อจิตมันเครียดจิตมันทุกข์เราก็ต้องรู้จักที่จะผ่อนคลายเราคลายเครียดให้จิตเราเนี่ยมันผ่อนคลายสักหน่อยมีวิธีหลายอย่างเราจะเรียกว่าเปลี่ยนอารมณ์ก็ได้เห็นเปลี่ยนอารมณ์เนี่ยจากอารมณ์เครียดมาเป็นอารมณ์คลายมีมากมายการรู้จักเปลี่ยนอารมณ์เนี่ยเท่ากับเป็นการ สอนจิตเราหรือย้ายจิตเราเนี่ยให้ปล่อยวางความคิดนั้นซะปล่อยวางความคิดที่ทําให้เครียดมาจับอารมณ์ใหม่จับอารมณ์ใหม่ที่เป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลสักหน่อยอารมณ์เป็นกุศลเนี่ยจิตจะเบานะไปทําอะไรก็ได้ที่เป็นกุศลช่วยผู้อื่นช่วยส่วนรวมเห็นไหมใจเราจะรู้สึกสบายๆอารมณ์ที่เป็นกุศลเนี่ยนะมันทําให้ใจเราเบา แล้วใจเราผ่อนคลายมันก็จะสบายจิตเราก็จะหลุดออกมาจากอารมณ์ที่เราเครียดได้สังเกตดูในเวลาเราทําอะไรคนอื่นเขามีความสุขช่วยเหลือเขาเขามีความสุขเขามีความสุขเนี่ยใจเราก็พลอยมีความสุขไปด้วยเห็นไหมเราช่วยเหลือเขาเท่ากับช่วยเหลือตัวเราเขามีความสุขมากเท่าไหร่ช่วยเหลือให้เขามีความสุขมากเท่าไหร่ใจเราก็มีความสุขมากเท่านั้นเห็นไหม อารมณ์ที่เป็นกุศลใช่ไหมทำให้เรามีความสุขได้จิตจะเบาแต่ในทางตรงข้ามถ้าเราไปเปลี่ยนอารมณ์ผ่อนคลายความเครียดทางจิตโดยการไปทําอบายามุขซึ่งเป็นอารมณ์ที่เป็น อ, นอกุศลนะจิตเราก็จะหนักทันทีเลยมันทีจะเพิ่มความเครียดให้จิตใจเรามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นให้เราเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนใหม่เดี๋ยวความทุกข์นั้นก็จะหลุดออกไปจากจิตอย่างไปทิ้งเลย มันก็เหมือนอย่างกับเราเลี้ยงเด็กเราเลี้ยงเด็กเวลาเด็กเขาร้องไห้อ้อนโยเยนะดูทาท่าจะดือ้อจะไม่เชื่อฟังเราถ้าเราพาเด็กไปเที่ยวซะไปดูสิ่งนูน้นสิ่งนี้เป็นการผ่อนคลายเขาเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจจากอารมณ์ที่เขากำลังร้องไห้โยเยไปรับอารมณ์ใหม่หรือซื้อสิ่งที่เขาถูกใจหาของเล่นให้เขาหรือหาขนมอร่อยๆเขาทานเนี่ย เขาก็จะหายอ้อนหายร้องไห้หายอหหายอยเยก็ได้นั่นแหละคือเด็กใจเราก็เหมือนกันใจเราเนี่ยเปรตเสมือนเด็กนะมันเด็กน้อยที่เราต้องคอยดูแลเราต้องรู้เท่าทันจิตเท่าทันใจเราจะเปลี่ยนอารมณ์ให้กับจิตหับใจเราเนี่ยเท่ากับเป็นการพาจิตออกจากคุกที่มันขังเอาไว้มันก็จะปล่อยวางความคิดได้ใจเราก็จะสบายนะมันเหมือนเด็กๆอะ่ะจิตใจเรา ต้องคอยเฝ้าดูแลอยู่แต่ว่าอันนั้นเป็นเพียงแค่ผ่อนคลายในขั้นต้นๆแต่ต่อมาเนี่ยเราต้องรู้จักแก้ปัญหาให้มันเด็ดขาดไปเลยก็ต้องอาศัยการคลายทุกข์คลายเครียดด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยคือการมีสติการมีสติฝึกสติเอาไว้สติเนี่ยจะทำหน้าที่รู้เท่าทันอารมณ์ของเรารู้เท่าทันความคิด ที่มันทำให้จิตเราเนี่ยต้องเครียดต้องทุกข์แค่เพียงมีสติรู้เนี่ยแค่รู้เท่าทันเนี่ยก็คือตัวสติละสติคือการละลึกรู้รู้ทันถ้ารู้ทันแล้วบางทีมันก็ปล่อยวางไม่ได้นะเห็นไหมเพราะบางคนบางทีรู้ว่าเราโกรธเราเครียดเราทุกข์บางทีมันก็ยังโกรธยังเครียดยังทุกข์อันนี้ก็ดีแล้วนะเรายังมีสติรู้เท่าทันซึ่งสมัยก่อนที่เราไม่เคยมีสติเลยเวลามีอารมณ์ทุกข์เข้ามากระทบ เราก็เป็นทุกข์ไปกับอารมณ์เหล่านั้นเห็นไหมไม่รู้เนื้อรู้ตัวแต่ต่อมาเนี่ยเราเข้าใจเรื่องสติมีการเจริญสติอยู่เสมอเสมอเราเริ่มรู้เท่าทันแล้วแล้วก็ยกระดับจิตใจมาบารู้เท่าทันอารมณ์การรู้เท่าทันอารมณ์ด้วยสติบ่อยๆเนี่ยไม่ทําให้เราเกิดปัญญาคนระับเกิดปัญญาเห็นอารมณ์เห็นความคิดตามที่มันเป็นจริงอ้อความคิดเนี่ย อารมณ์ต่างๆเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนรอกมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีใครคิดไม่มีใครเครียดได้ทั้งวันทั้งคืนหรอกมันมีช่วงที่ผ่อนคลายได้เหมือนกันนะถ้าเรามีสติเราจะเห็นว่าไอ้ความคิดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆในคิดในเรื่องเดียวกันเน่ยแต่มันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวมันก็คิดมากเดี๋ยวมันก็หยุดคิดนีอันนี้เป็นเรื่องของจิต ที่มันทําหน้าที่กับความคิดนะจะรู้ความจริงเอาะบางทีจิตมันอยากจะคิดมันก็คิดมันเบื่อคิดมันก็ปล่อยของมันเองเราจะเข้าใจเรื่องของจิตเข้าใจเรื่องของความคิดจะเริ่มรู้ทันตอเ น, นี้ยพอรู้ทันแล้วเราเข้าใจแล้วปล่อยวางมันได้ไม่ยึดติดในความคิดเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเกิดปนะัญญาแล้วนปัญญาเนี่ยมันจะมาที่หลังนะสติเนี่ยรู้เท่าทันก่อนแล้วเกิดปัญญารู้ความจริง แล้วก็สามารถปล่อยวางความคิดยิ้มออกมาได้เลยบางทีเรื่องราวเนี่ยมันคิดตั้งแต่เช้าเย็นเย็นโอ้ไม่ได้คําตอบสักทีแต่พอคิดแล้วเรามีสติรู้ทันเนี่ยมันเกิดปัญญาเนี่ยก่อนจะหลับจะนอนงทียิ้มออกมาได้เลยมันปล่อยวางอารมณ์ได้สบายแล้วสบายใจแล้วอันเนี้มันเป็นการทํางานของสติที่สั่งสมตัวกันบ่อยๆขึ้นจะโลนบ่อยๆขึ้นเนี่ยมันเกิดปัญญามันปล่อยวางความคิดได้มันเป็นประโยชน์ทําให้เรา ฉลาดในความคิดฉลาดในอารมณ์คนที่มีสติอยู่เสมอๆเนี่ยจะฉลาดในอารมณ์นะฉลาดในความคิดรู้จักให้กําลังจิตกําลังใจของเรารู้จักคิดในสิ่งที่ทําให้จิตเนี่ยมีความสดชื่นผ่องใสแล้วก็รู้จักปล่อยวางความคิดที่ทําให้จิตเราเนี่ยเศร้ามองหมกมุ่นหรือเป็นทุกข์เรียก ว, ว่าฉลาดในอารมณ์ฉลาดในความคิดที่เกิดขึ้นกับจิตกับใจของเราให้กําลังใจตัวเองได้ แต่ในขณะเดกันเนี่ยไม่ใช่ว่าฉลาดเฉพาะว่าตัวเราอย่างเดียวหรอกมันฉลาดที่จะรู้เท่าทันความรู้สึกของคนอื่นด้วยนะฉลาดในอารมณ์ของผู้อื่นเข้าใจผู้อื่นเมื่อเราเข้าใจผู้อื่นได้เมื่อไหร่แล้วก็ความสัมพันธ์อันดีเนี่ยจะเกิดขึ้นต่อกันทั้งคนใกล้ตัวเราทั้งคนห่างตัวเราเราสามารถให้กําลังใจเขาได้เห็นไหมช่วยเหลือเขาได้ พอเราฉลาดในอารมณ์ตัวเองแล้วก็ฉลาดในความคิดในอารมณ์ผู้อื่นได้ด้วยอันนี้เป็นประโยชน์สันติภาพจะเกิดขึ้นได้กับคนที่อยู่ใกล้ตัวเราถ้าเราเข้าใจเขาเพราะฉะนั้นในยานที่เรามีความทุกข์มีความเครียดโอ้จะเป็นเรื่องใดก็ตามเนี่ยให้เรามีความรู้สึกที่จะผ่อนคลายเขาช่วยเขบผ่อนคลายรับเปลี่ยนอารมณ์การเปลี่ยนอารมณ์นี่ถ้าเกเป็นการปล่อยวางความคิดไป จิตก็จะเบาเมื่อเปียอารมณ์ได้แล้วเนี่ยต้องมีสติมีสติจะริญสติให้รู้เท่าทันให้รู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์สติเนี่ยจะช่วยช่วยปล่อยจิตปล่อยใจเราเนี่ยให้เป็นอิสระภาพจากความคิดที่เป็นคุกขังจิตขังใจเราเมื่อจิตเราไปอิสรภาพเนี่ยเราก็จะไม่มีทุกข์นะจิตก็จะสบายมีแต่ความผ่อนคลายเพราะฉะนั้นชีวิตเราเนี่ย มันมีเรื่องของกายเรื่องของจิตถ้าเรามีความทุกข์เข้ามาครอกงามจิตใจเราจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอย่าลืมสติคอยนึกถึงพระสติเข้าไว้พระสติเนี่ยจะช่วยดึงจิตดึงใจเราเนี่ยให้พ้นจากคุกของความคิดคุกของอารมณ์ให้เป็นอิสระภาพเมื่อเรานึกถึงพระสติเมื่อไหร่แล้วก็เราจะมีที่พึ่งทางใจ